ท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสัมสนีสนทนาค่ะเราก็เริ่มต้นกันด้วยท่านมา ก, กันเช่นเคยนะคะผ่านไปแล้วพระมารชาควโรแห่งวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองศิษ ค, ค่ะตอนนี้ก็มาถึงเวลาที่จะได้พบกับพระพิบูรณ์อภิปุนโนนะคะจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธา น, นีค่ะน้อมสักการกันท่านคะนาเฉลิมพานค่ะก็คงให้ท่านช่วยนำเอาพุทธว จ, จะนะมาตอบคาถามที่เราเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดกันอีกอ ในปี2555 น, นี้เพื่อ <ใน S 2> 2,555 25ก็คิดว่าเราก็จะใช้เหมือนเดิมนี่แหละพุทธวจนะเพราะว่าจริงๆแล้วการการเป็นพุทธวจนะอย่างเงี้ยนะหรือว่าการประกาศคำสอนของพุทธเจ้าบรรลือศีข้า น, นเนี่ยก็ต้องทำอย่างที่พุทธเจ้าบอกคือไม่จำกัดการต้องทำตลอดเวลาปีใหม่ปีเก่าวันไหนเราก็ทำอย่างนี้ แล้วก็พูดถึงความสุขการส่งความสุขการที่เราจะเริ่มปีใหม่อย่างดีเนี่ยอาจยมาคิดว่าเราควรจะทำทุกวันเลยแต่ผู้พูดถึงความสุขเนี่ยชื่อคือชื่อของบุญถ้าเราคุณทำความสุขให้มีความสุขในปีใหม่อย่างเงี้ยคุณควรจะทำอย่างงี้ตลอดไปตลอดทุกวันทุกๆปถีถึงจะถึงจะดีถึงจะถูกต้องน ะ, น, <c oughs> น, ะนะตามหลักพุทธวจนะค่ะคือแปลกมากมนุษย์เนี่ยนะคะ จริงๆจะว่ากันไปกิจกรรมหลายๆอย่างเราต้องทําทุกวันทุกวันทุกเวลาเหมือนๆกันแต่ดูเหมือนกับเราให้คุณค่าของเวลาไม่เหมือนกันอืมอันนี้ก็มันคงจะเกิดอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆมั้งคะก็คือเราต้องเป็นผู้ไม่ประมาทไงถ้าเราอาศัยเหตุการณ์ตรงนี้อย่างเช่นว่าก้ามปี 2,554 เป็น 2,555 อย่างเงี้ยคุณอาศัยจุดนี้เพื่อที่จะเออมาเตือนตัวเราว่าเออวันเวลาล่วงไปล่วงไปนะเราควรทำความดีโอเคดีดีแล้ว นะใส่จุดนี้แล้วก็ทำอย่างเนี้ไปเรื่อยๆตลอดเวลาทุกวันค่ะทีนี้อยากจะกลับเรียนท่านสนทนากับท่านวันนี้ถึงเรื่องดังนะคะคนะจริงดิฉันเวลาพูดถึงอะไรเนะี่ยไม่ค่อยชอบเอ่ยชื่อแต่วันนี้ดูเหมือนกับว่าไม่เอ่ยชื่อมันก็ต้องพูดยาวกำลังจะพูดถึงเรื่องของ น้องปลาบูอะค่ะน้องปลาบูแลซึ่งตอนแรกดีฉันไม่รู้เรื่องเลยคนก็คุยกันเรื่องปลาบูปลาบูได้ยินเอ้ยทำไมปลาบูทองกลับมาฮิตอีกนะทีนี้ท่านพอได้ข่าวไหมคะก็ทุกงจะทราบจากคุณสันสนีนี่แหละอ๋อค่ะคือถ้ากล่าวโดยสรุปก็ดูเหมือนกับว่าย้อนไปหลายสิบปีแล้วสามสิบกว่าปีอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะ ม, มีเด็กคนนึงที่มีความเชื่อว่าโดยคุณพ่อเขาเนี่ย ว, ว่าระลึกชาติได้ แลเขาก็ <S <S <ม>ทํานายโน่นนี่นี่นั่นไว้ลุ้นแล้วแต่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงน่ากลัวเนี่ยค่ะอ๋อทีนี้ไม่ลงรายละเอียดดีกว่าเพราะว่ายาวอะค่ะอ่าในเรื่องของพุทธวจนะเราควรจะตอบอยังไงก็จะต้องมาดูที่คําสอนของพุทธเจ้านะพุทธเจ้าบอกงี้คุณยมตีบอกว่าเราจะต้องพลรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นใะนเรื่องนี้ได้พูดกับท่านพระอานุน์ตอนนั้นเนี่ย จุนทัาสามเณรใช่ไหมถือบาทกับสังกติวิ่งหน้าตาตื่นมาเลยคือสามเณรปกติจะไม่มีสังกติอยู่แล้วก็เลย <Okay. S 1> สงสัยว่าเอ๊ะเป็นสังกติของใครก็จุนทัาสามเณรก็บอกเนี่ยของท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรปรินิพานแล้วดัง <Okay. S 1> นั้นท่านพระอนุนก็เสียใจมากเลยร้องไห้ฟูมฟไฟเลยพระเจ้าก็เลยเตือนท่านพระอนุน์บอกว่าเนี่ยการที่เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเนี่ยเป็นธรรมดา นะ<ะ>การที่เราจะหวังว่าสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วเนี่ยไม่ให้มันเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ในเพราะฉะนั้นถ้าใครมาทำนายว่าโลกจะแตกโลกจะมีปัญหาน้ำจะท่วมสิ่งนี้จะแย่ลงเศรษฐกิจจะระเบิดอะไรต่างๆเนี่ยเออมันสอดคล้องกับพูะเจ้านะอาตมาก็จะสบายใจเลยเออนี่คนนี้เยาก์รสอดคล้องพระเจ้าว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่อ๋อถูกไ้คุณโยมตีว่า จริงคะ่ะท่านค่ะแล้วอาจมาจะบอกให้อย่างนึงว่าสัตทธันตรกัรเนี่ยอยู่ต่อนหน้าเราเนะี่ยสัทันตรกรรมเนี่ยคือการต่อสู้รบร้างฆ่าฟันชนิดว่า7จวันเคืนเนี่ยไม่ไม่ไม่หยุดหย่อนเลยนะเพราะฉะนั้นยุคมนุษย์เราตอนนี้มีแต่ความเสื่อมไปข้างหน้านะกำลังจะมีแต่ความเสื่อมไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าตื่นเช้ามาคุณเห็นอะไรที่มันเสื่อมลงไปนะเศรษฐกิจแย่ลงราคาทองตกลงหุ้นตกลงคนในเมืองมีความคุณธรรมน้อยลง ก็ถูกของเขาแล้วอ่ะออืมเรากําลังเข้าสู่สัตทันตรกรรมเราสบายใจได้เลยเราจะมีความสบายใจแล้วเราก็ตั้งหน้าทําความดีต่อไปไม่มีปัญหาะอะไรๆอย่างสิ้นเลยค่ะอืมดีไหมดีค่ะแต่กําลังคิดในอีกหมุมหนึ่งคะ่ะท่านคะบาง ค, <ler> บงคนอบอกว่าก็ในเมื่อมันจะไปสัตทันตรกรรมคือกรรมที่มันแย่มากถูกป่ะคะ <Holz> ใช่ใช่เป็นช่วงเวลาที่โอ้โหแย่มากก็เราจะไปทําดีไปทําไม ทำไปมันก็แย่นะ่ยแย่โดยกลับเนี่ยค่ะโอก็เพื่อว่าเราจะได้อ่าเมื่อตอนเราตายไปเนี่ยคือยังไงเราไปถึงตรงนั้นเราก็ตายหรือว่าถ้าเราตายก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอย่างน้อยเราจะได้ความดีอยู่ อ, อซึ่งบางคนก็จะไปที่หาเครื่องรางของขลังใช่ไหมพระเครื่องรุ่นนี้ก็บอกโอ้เมตตามานิยมฟันไม่เข้าแทงไม่ออกอะไรอย่างเงี้น ะ, อะโอ้ยถ้าสายสร้อยขาดเนี่ยพระ ก, ก็หลุดพระเครื่องงนั้นก็หลุดไปเหมือนกันนะค่ะเหลือแต่จิตของเรา และ ก, กายของเราเราจะดูแลจิตของเรากายของเรายัางไคงค่ะเพื่อกันคะงั้นก็เท่ากับสรุปว่าหากใครมาพูดถึงอะไรที่ทําให้เราเสียขวัญเพราะมันเป็นเรื่องของการสูญเสียการพลัดพรากต้องดีใจว่าเขากําลังพูดเรื่องธรรมดาที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้่ว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นการที่สัตว์จะได้มาซึ่งสังขารที่มีความเปลี่ยนไปแล้วเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ออื การที่สัตว์จะได้มาซึ่งสังขารอันที่มีความเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยให้ไม่เปลี่ยนไปเนี่ยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ค่ะสังขารในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ารก็คือสังขารในที่นี้หมายถึงสังขารทั้งหลายอ่าซึ่งก็คือคือทั้งหมดเลยอ่ะสัพเพสังขาราทั้งโลกนี้แหละที่มีการเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งไปได้ สังขารของสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วยไหมคะอ่าใช่สังฆต ธ, ธรรมนะถ้ารวมหมดก็คือสังคตธรรมทั้งหมดเลยเพราะว่าบางคนอาจจะเข้าใจแค่ประพูดสังขาปรขาปรุ๊บก็ต้องของมนุษย์สิหรือว่าของสิ่งมีชีวิตสิสังขารของรถเก๋งที่มันแค่น้ำแล้วเสียหายนี่ก็สังขารใช่ไหะสังขารเหมือนกันพูดนี้อันนี้พูดถึงสังคตธรรมค่า<ะ>เพราะฉะนั้นเราจึงต้องรีบเร่งทาความดี เพื่อว่าเวลาที่มันมีความเสื่อมเกิดขึ้นแล้วเราจะไม่ทุกใจเราจะเป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจยังเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้ค่ะมไม่ใช่ว่าปล่อยชีวิตไปตามธรรมชาติที่ว่าธรรมชาติมันตกตามลงมเราก็ไม่เห็นต้องทำตัวให้สูงเลยเพราะทำสูงไปมันก็ต้องตามลงอยู่แล้ว อ, อย่างนั้นไม่ถูกอันนี้เป็นความคิดของปุถุชนที่ยังไม่ได้เคยได้ยินฝังธรรมค่ะปุถุชนที่ยังไม่ได้สดับใช่ <c oughs> ดิฉันชอบคาเนี้ยมากอครับ <c oughs> แ, แล้วถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราเป็นคนฟังธรรมอย่างคนตื่นช้ามาฟังรายการสันสนิสนธนาเนี่ยนะ <c oughs> เป็นคนที่ไม่ธรรมดานะแต่ามาว่า <c oughs> คืออย่างน้อยคุณยังมีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นใช่ไหมตื่นช้ามาฟังธรรมมีสิทธิ์ได้บรรลุปเปันญายาสาวกด้วยการและการฟังธรรมเนี่ยทําให้ช่วงในเวลาที่เราฟังธรรมอย่างเนี้นะเรามีจิตน้อมไปตามสำมะมทิฏฐิเนี่ยช่วงนั้นอนะเราเป็นโสดาปฏิมากรเลยนะ ออค่ะเดินอยู่บนโซดาปฏิมากรแล้วค่ะอืต้องมีสัมมาทิฏฐิก็เท่ากับว่าเราเดินอยู่บนโซดาปฏิมากคน่าสนใจมากเชา้ชาๆเดี๋ยวนี้ก็คงจะอากาศเย็นพองสมควรทีแล้ว น, นะคะท่านใช่เป็นทั่วไปหมดที่อุดอรก็ต้องคอยระวังเรื่องสุขภาพเหมือนกันใช่ไหมะมันมีสถิตินะคะท่านอันนี้เห็นเข้อลงหนังสือพิมพ์ อ, อคุณหมอก็มาบอกบอกว่าเขาเฝ้าระวัง ผลกระทบที่ทำให้คนเสียชีวิตในช่วงอากาศหนาวตั้งแต่เดือนตุลาถึงเดือนตุลาที่ผ่านมานะคะปีห้าสามถึงกุมภาเนีวิเาคราคร์พบว่าคนที่เสียชีวิตจากการหนาวตายเนี่ยเป็นเพศชายอืมนะคะอายุเฉลี่ยสี่สิบเก้าปีและก็มีหลายสาเหตุนะคะเครื่องนูผมไม่พอก็มีมถึงถึงร้อยละแปดสิบสาม ก็ถือว่าคนจนเยอะเหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นมีได้หลายอย่างคือบางทีอย่างที่วัดป่าดอนไนโศกบางทีก็มาเวลาจำวัดอย่างเงี้ยนะบางทีเราลืมเปิดหน้าต่างเอาไว้แลพออากาศช่วงนั้นจะมีช่วงที่อุณหภูมิลดลงอย่างเงี้ยลดลงทีสองสามองศามันก็มีมีปัญหาเหมือนกันคอก็อาจจะป่วยได้ซึ่งในเรื่องนี้พระเจ้าเคยตรัสถึงภิกษุที่ต้องมีความอดทน ตัวพระองค์เองเนี่ยตอนที่กําลังทําความเพียรอยู่นะอา่าก็ในคืนที่เป็นฤดูหนาวเนี่ยเอาไปอยู่กลางแจ้งค่ะอืมเพื่อที่จะอา่าให้รับความหนาวอย่างเต็มที่เลยแล้วก็ฝึกที่จะเป็นผู้มีความอดทนอย่างมากอ๋อนี่ครั้งพุทธกาลเลยเหรอคะใช่ใช่พระพุทธเจ้าเองนะอ่อนี่ตัวพระองค์เองหนาวจะจัดพระพุทธองค์ทรงอยู่กลางแจ้งไปอยู่กลางแจ้งตอนกลางคืนท่านคะอันนั้น ตอนนั้นเป็นตอนบําเพ็ญทุกขกิริยาหรือเปล่าใช่ทุกต้องก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าตอนนี้นยังเป็นโพลิสัจ อ, อยู่อ๋อค่ะแล้วพระองค์เคยบอกงี้ว่าเวลาที่เราไปอยู่ในที่ที่มันเราไม่สบายอย่างเงี้ยนะมันต้องมีสองอย่างประกอบกันคือหนึ่งคือสติใช่ไหมกับส่วนที่สองอมันจะเกิดทุกขเวทนา ทุกเวทนากับสติเนี่ยจะคนละส่วนกันบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมฉันหนาวเนี่ยหรือว่ามีสิ่งที่ไม่น่าพอใจมากระทบทางกายอย่างเงี้ยมีสติอยู่นะมันก็คนละส่วนกันนะทีนี้ว่ามีสติแล้วคุณอดกลั้นได้ไหมถ้าคุณอดกลั้นได้นะก็โอเคไม่มีปัญหาแต่แน่นอนคุณจะมีทุกเวทนาอย่างเราอยู่ในอาการเย็นๆเราจะเกิดความทุกข์แน่แต่คุณยังอดกลั้นอยู่ได้ไหมค่ะก็เนี่ยค่ะท่านพูดมาดิฉันมีตัวอย่างและเพิ่งประสบมา เมื่อม่นานวันนี้เองอืคือมีคนรู้สึกว่าเวลาอากาศเย็นมากๆหรือพี่อยู่ในสถานที่ที่มันเย็นมากๆแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติอย่างเงี้ยนะคะประสบผลสําเร็จยากน ะ, ะสมาธิยังไม่เกิดค่ะอ๋อมันเป็นหนาวอืมอ่อแล้วมันจะมีส่วนที่สามไงคุณโยมติว๋วระพเจาบอกว่าตัวพระองค์เองเนี่ยพอมีสติมีทุกขเวทนาใช่ไหมสตินี่แน่วแน่เลยนะค่ะเวลาเจอทุกขเวทนามากๆเนี่ยแต่ว่าเกิดอย่างที่สามคือกายกระสับกระส่ายไม่สงบ ไม่ใช่ว่าคุณจะนั่งนิ่งอยู่ได้เวลาหนาวๆ ห, หรือว่าเวลาที่เจอทุกเวทนาแล้วนิ่งเหมือนกับนิ่งเหมือนกับเขาเรียกว่าพระพุทธรูปเลยอย่างเงี้ย <c oughs> มันไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าก็ตัวพระองค์เองก็ยังมีกายการะสับกระสายไม่สงบนะเพราะอะไรเพราะอย่างที่4นีะ่องค์ประกอบอย่างที่4ี่คือความเพียร น, นั่นแะเป็นความเพียรที่อย่างแรงกล้าทนได้ยากแปลว่าอะไรนะคะความเพียรอย่างแรงกล้าเลยนะคะทนได้ยากทนได้ยากใช่ เสียดแทงเอาเกิดเพราะความเพียรอย่างแรงกล้าที่ทนได้ยากเสียดแทงเอาจึงมีการกระสับกระส่ายไม่สงบของกายแต่จิตมีสติไหมมีมอ๋ออ่มันก็จะคนละประเด็นกันท่านกําลังจะบอกว่าพระพุทธองค์กําลังพูดถึงว่าขณะนั้นเนี่ยจิตเนี่ยมีสมาธิตกลุ้มไหมคะแต่ว่าร่างกายที่มันกระสับกระส่ายเนี่ยเป็นเพราะว่าอ่าเพราะความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงเอาความเพียรที่คือ คือเหมือนกับว่าอากาศมันเย็นถ้าแตล ง, ง่ายๆนะคะอากาศมันเย็นเกินไปอย่างนั้นอเปล่าคะใช่แล้วทีนี้ว่าเย็นเกินไปนี่คือเกินอะไรไปถ้าจะเกินไปในลักษณะที่ว่าจะทําให้เรากระฟกราฟิตกระด่างกระเดื่องแสดงความโกรธความขัดเกงความไม่พอใจให้ปรากฏอย่างนี้คือเราไม่ได้เป็นใ ช, ใช่ไหมแต่ทําให้เรามีกายกระสับกระสายบ้างอันนี้เป็นไปได้และในกรณีเช่นนี้คะ่ะ สมมติมันเป็นกิจกรรมหมู่นะคะที่ต้องไปอยู่ในที่เย็นมากๆเนี่ยแล้วคนบางคนเนี่ยอาจจะภูมิต้านทานาไม่เหมือนกันอท<ๆ>นไม่ได้เกิดอาการกระสาบกระสายอย่างเงี้ยต้องทนต่อไปหรือว่ามันมีวิธีอื่นที่ดีกว่านั้นที่ตรงกับคําสอนของพระศาสดาค่ะออพระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงอืวิธีการหนึ่งนะที่คือมันก็จะคงมีได้หลายวิธีการอาวิธีการแรกก่อนก็คงจะ ทนต่อไปวิธีที่2คุณก็หนีไปที่อื่นหรือวิธีที่3นะคุณจะทําจิตอย่างไรให้มันลึกลงไปพระเจ้าเคยพูดถึงวิธีนี้อยู่นะบอกว่าก็กําหนดจิตเนี่ยให้เป็นสมาธิลึกขึ้นไป oh. อย่างนี้เป็นไปได้นะเคยพูดถึงการทําสมาธิตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนจนกระทั่ง ก, กายเกิดการเมื่อยล้าการเมื่อยล้าจิตก็จะกระสับกระสายพราจิตกระกสับสรกระสายแล้วทำไงเราไม่อยากให้จิตกระสับกระสายก็ทําสมาธิให้มันลึกลงไปอีก อ๋คอค่ะก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีเช่นนี้หากมีความสามารถมีสมาธิที่ลึกไปได้อาการเช่นนี้จะสามารถทนทนกับอาการเช่นนี้ได้ถูกต้องแล้วยังกระสับกระสา ย, ยาไหมคะท่านก็จะไม่กระสับกระสายละอ๋อก็คือลึก่งไปแต่ว่าไม่จำเป็นถ้าหากว่าทนไม่ได้ใช่ไหมคะคือถ้าจำเป็นจะต้องย้ายไปที่อื่นที่จะทาให สงบได้มากกว่ามีสมาธิได้มากกว่าก็ได้อย่างนั้นหรอกค่ะก็สามารถทําได้นะคือมันเป็นเรื่องของจิตไงถ้าจิตของเราอ่ามันไม่เป็นสมาธิแล้วอ่ะคือจิตมีสติกายกระสับกระสายแล้วเป็นสมาธินะเป็นไปได้น ะ, ะนี่คือกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองคือจิตคุณมีสติอยู่คุณจะเรียนสติปัฏฐานอยู่กายกระสับกระสายแล้วจิตคุณไม่เป็นสมาธิอันนี้ก็เป็นไปได้นะค่ะอ่าดังนั้นสรุปก็คือว่าสําหรับผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยที่ฉันคิดว่า สิ่งที่ท่านตอบเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะคะคือเหมือนกับบางคนก็ไม่เข้าใจก็มีความรู้สึกให้มันลุกไม่ได้เลยนะขยับไม่ได้เลยเดี๋ยวมันเสียหาย ừ ừ ừ ừ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าไม่ขยับได้แล้วอยู่ได้ ừ ừ ừ ด้วยจิตที่ดิ่งเป็นสมาธิมากขึ้นโจอนาการเหล่านี้ไม่ส่งผลกระทบอันนี้ก็ขอให้ทำทาได้ทาได้แต่ถ้ามันไม่ไหวเป็นการปฏิบัติจิตแล้วจิตไม่สงบ ก, ก็ต้องไปหาที่ทา ให้มันเกิดจิตสงบให้ได้ไม่ไหวในที่นี้คือทนไม่ได้แล้วทนไม่ได้แล้วคุณวัดจากอะไรนะคุณจะเริ่มกระฟัดกระฟีดกระด้างกระเดืองนะแสดง ค, ความโกรธความัดลื่นความไม่พอใจให้ปรากฏหรือทนไม่ได้จนกระทั่งร้องให้คล่ำครุ่ทุบบกชกตัวถึงความเป็นผู้มุ่งมงของครั้งเพอแต่ถ้าถึงระดับนี้คุณต้องรีเพนเลยอย่าทําแปลว่าถ้ายังไม่ถึงขนาดนี้ก็ถ้าจะทนก็ทนต่อไปได้ไม่ว่าอะไรนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นรายละเอียดที่เลี้ยงคิดว่ามีประโยชน์ นะคะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าพระพุทธองค์ได้ทรงมองเห็นว่าจะต้องมีข้อสงสัยนี้เกิดขึ้นก็ได้ตรัสเรื่องเกี่ยวกับเรานี้ไว้เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดมากๆที่จะมาพอเราเรียกว่าศึกษามากขึ้นไปเราปฏิบัติสมาธิด้วยเนี่ยเราก็จะเห็นแง่มุมเหล่านี้เพิ่มเติมขึ้นมามค่ะปฏิบัติไปก็จะเห็นอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมค ะ, คะ นะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการสรมสีนสนท น, นาในยามเช้าของปีใหม่ที่อากาศเย็นดีเหลือเกินบางที่มันก็อาจจะเกินไปไม่ใช่แค่เหลือเกิน <laughs> นะคะอันนี้ก็เลยอนา ม, มาฝากกันเอาไว้ก็ขอให้ท่านสามารถที่จะหาความพอดีให้ลงตัวให้ได้เพราะว่าการที่จะปฏิบัติธรรมนั้นไม่เกิดประโยชน์มากน ะ, ะวันนี้ก็ต้องนมันส ก, การของพระคุณท่านพิบูรลนะคะ <laughs> ที่ได้ทั้งเอาผุท้ทวัจนะแล้วก็เอาประสบการณ์ของท่านเองมาให้ความกระจ่างกับเราค่ะ ในวัฒน ก, การกันท่านคะยัผ่านทังฝั่งที่ครบค่ะดิฉันเองก็ได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อยนะคะจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงก็จะทําให้เสียงแตกต่างไปจากเดิมนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะยังสนทนาทำกันได้เราเน้นที่สาระนะคะเราไม่ได้เน้นที่เสียงต้องใส่ปิ้งค่ะก็อย่าลืมนะคะอยากศึกษาพุ้ทวีตนะท่านก็ช่วยกรุณาโทรศัพท์มาสักหน่อยหนึ่งที่ 022690006นะคะจะมีหนังสือแจกให้ท่านจากท่านจางคึกฤทธิ์ลโสติโท่านเจา้าวรวานาปะพงลำลูกกาคลองสิส่วนคำถามส่งไปที่เพียวธรรมะ .com/106 และเชิญมาพบกับดิฉันสันสนีนาพงและรายการนี้ได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้พุตทวสวัสดีคะ่ะ